ในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นมาก็เพราะว่าปีที่แล้วของพ่อไปญี่ปุ่นไปทัศนศึกษาสวนเซนเพราะศึกษาสวนเซนมาตั้งแต่อยู่สวนโมกพศ2 5 5กันจนถึงพศ2515 ทีนี้เมื่อไปญี่ปุ่นมีความตั้งใจแรงมากที่จะศึกษาเรื่องของสวนเซนมีคนหนึ่งเขาเป็นเพื่อนกับสุภาพกิจหัวหน้าสุภกิจทัวเขาก็เอาหนังสือจากประเทศจีนเรื่องของเซนมาให้ตอนที่ไปญี่ปุ่น ก็ดูดูดูดูศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปต้องเพ่งจึงจะรู้ทีนี้มันไม่มีภาษาไทยพอกลับมาจากญี่ปุ่นปรึกษากับหมอปราณีซึ่งนั่งอยู่ที่นี่มอกหมอปรานีว่าคุณพ่อของหมอปรานีนะเป็นคนจีน สามารถที่จะอ่านภาษาจีนได้แปลได้ให้มันมีทั้งภาษาจีนทั้งภาษาอังกฤษหอปรานีจึงรับอาสาแปลมาเองคือแปลภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยของพ่อก็ศึกษาไปศึกษาไปศึกษาไปจนเห็นเรื่องต่าง แก่มแจ้งขึ้นมาแจ่มแจ้งขึ้นมาก็าคิดว่าทำยังไงเราจะคัดใส่ฝาผนังหรือว่าจะทำยังไงดีในเรื่องนี้อยากให้มันเป็นประโยชน์ให้หมอปรนีไปเป็นเดือนหมอปรนีก็เลยมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเขียนรูปเก่งก็เลยเขียนรูปนี้มาคือคัดจากต้นฉบับ แล้วก็ให้หลวงพ่อดูหลวงพ่อกลว่าเออดีข้าวทีดีคิดไปคิดหมายเราจะทํำยังไงเพราะว่าอธิบายภาพเซนอยู่แล้วตอนที่อยู่สวนโมกอธิบายภาพเซนอธิบายภาพที่ไม่ใช่เซน่ะในโรงพยาบศพทางวิญญาณเชื่อมันมีอยู่แล้วแต่นี้ก็ทํำยังไง คิดไปคิดมาเนี้จะทำอย่างนี้เพราะอย่างนี้ก็ทำมาแล้วตอนที่มาอยู่ตั้งที่นี้ใหม่ๆปีที่สองก็ลงมือเลยทอดกระถินได้มื่นสามพันเอาไปซื้อเครื่องสไลด์เช่ 1, หนึ่งมื่นเหลือแค่สามพันเองก็ทำนั้นทำนี้ทำโน้น เืออยากจะเปิดแพร่อย่างเดียวทำยังไงเปิดแพร่อย่างเดียวนี่เรื่องมันก็เลยเป็นไปค่อยๆเป็นไปแล้วเป็นไปก็จับการใายสลยายก็มาทำเทพทตามสมัยใายสลดยจนชำนาญแล้วมีลูกน้องสามสี่คน ทมสี่รูปพระโอ้กลับมาตีสิบสองต้องแบกจอต้องแบกเครื่องเสียงต้องแบกอะไรขึ้นมาบนนี้ตีสิบสองแล้วแบกขึ้นทำอยู่อย่างนั้นจนอิ่มตัวในเรื่องของสไลด์มีกล้องถ่ายรูปมีอะไรหมดเพราะต้องถ่ายเสร็จแล้วก็ต้องส่งกรุงเทพทำเป็นสไลด์ สมัยนั้นนี่คืออันดับแรกต่อมาก็เป็นเทพทำเทพทำเทพทมเทพเทลพันนี่จะทำเทลสองสามแผงทาเทลพันโอ้ยหาไม่ได้หาเพลงสาวไม่ได้ศึกษาไปศึกษาไปหาเพลงสาวไปี่น้าตก เนี่ยได้ยินเสียงน้ำตกก็ได้แต่เสียงน้ำตกมามันก็ใช้ไม่ได้อัดเสียงนกมันก็ใช้ไม่ได้ตัดสินใจเข้ากรุงเทพเลยไปหาเสียงไม่ใช่หาเสียงเลือกผู้แทนหาเสียงเพลงในแผ่นซีดีวันนั้นไปพักวัดชนประธานเขาบอกว่า ร้านนองท่าประจันมีขายแผ่นเสียงที่เป็นเพลงเพลงร้องหรือว่าเพลงล้วนๆอย่างนี้กดซื้อมาวันนั้นสามหมื่นกว่าบาทนี่ถ้าโยมก็วเราเอ้ยหองพ่อในบ้านแล้วหรือว่ายังไงก็ไม่รู้นี่หองพ่อจับอะไรก็เล่นไม่ได้จับจริง ถ้าจับอะไรกันแล้วก็ต้องต้องจริงต้องทําจริงก็เลยมาทําเนี่ยมาทําทําทําเทพทําเทพจนเรียกว่าจนชํานิชานาญแล้ ว, ว, นนลวขึ้นแผ่นซีดีทีนี้ขึ้นแผ่นซีดีจย่แผ่นซีดีก็วีซีดีต่อไปว่ากันไปเรื่อยเลยนี่สร้างกันไปเรื่อยไม่หยุดไม่หย่อนเรื่องเสียงไม่ต้อง ตัวหนึ่งสามพันสี่พห้าพันไปเรื่อยไม่ก็เหมือนกันสมัยนั้นสามพห้าได้อย่างดีเอาสามพห้าเลยไม่ดีไม่เอาเพราะถ้าบรรยายหรือเสียงแหบมันดูดเสียงไม่สู้อย่างนั้นไม่สู้เนี่การเป็นไปเป็นมาของอสายสไลน์นี่ ก็เลยต้องมาพัฒนาพัฒนาพัฒนาพัฒนากลับหลังตอนนี้เพราะเราจะเอาเรื่องที่มันมีประโยชน์ที่สุดอทีนี้อย่างในภาพนี้ก็มีไม้ไผ่ที่เรามองเห็นเนยะมีไม้ไผ่แล้วก็ข้างๆไม้ไผ่นี่เขาญี่ปุ่นเขาจะมีจัดสวนทั้งนั้นเลยบ้านที่อยู่หน้าวัดนี่จัดสวนจัดสวนจัดสว น, สวนโอ้เป็นเห็นอ่ะ เราอายก็เลยเขาจัดสวนเล็กๆน้อยๆก็ทำเป็นสวนเซนหมดดูแล้วมันร่มรื่นสบายสบายตาจากสบายตาดูแล้วมันมันก็ส่งเข้าไปในจิตก็ทำให้สบายใจหลวงพ่อก็เลยไปญี่ปุ่นแล้วกลับมาตาแจ้งเลยทีนี้ตาแจ้งเลยอ่านออกหมดทีนี้ว่าไอ้ที่ตรงนี้จะจัดสวน ทำยังไงตรงนี้จะจัดสวนนี่ทำยังไงนี่เรียกว่าย็คิดไปกๆดูไปก ย, ยศึกษาไปเพ่งก็ไปเพ่งก็ไปเพ่งก็ไปจนรู้ว่าจะต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นการจัดสวนเนี่ยไม่ใช่จดสวนที่ว่า จ, จัดเพียงแต่ว่าเอาดอกไม้สวยๆมาจัดเหมือนงานชบไม่ใช่ไ อ, อไ้อย่างนั้นไม่ใช่มีน้าคุอย่างนั้นไม่ใช่ อย่างนั้นไม่ใช่สวนเซนีข้าวไปแล้วไปเดินแล้วเห็นแล้วความรู้สึกมันจะเย็นถ้าไม่เย็นใช้ไม่ได้เราไปวางก้อนหินสักก้อนหนึ่งอย่างนี้ก้อนหินแตกหักใช้ไม่ได้ก้อนหินนี่จะต้องเป็นธรรมชาติจริงๆไม่แตกไม่หักเป็นของเดิมและก้อนหินที่มันประกดอยู่กับพื้นดินน่ะเอามหงายขึ้นไม่ได้ ต้องมีจะใคร่น้ําต้องมีอะไรข้างบนนี่ถ้าคนที่ไม่เคยแล้วไม่รู้เลยนี่เรียวว่ามันมีอะไรที่มันละเอียดละเอียดละเอียดละเอียดมากก็คือธรรมชาตินั่นเองไม่ใช่อะไรเลยเรื่องของธรรมชาติทางนั้นแม้แต่ว่าทรายกรวดนี่ก็ะจะทําให้เป็นคลื่นทําให้เป็นคลื่นได้ทําให้เป็นคลื่นก็ะจะมีไม้กวาดกวาดแล้วก็ทําให้เป็นคลื่นได้เลย เห็นเป็นคลื่นเลยนี่เลยคื อ, อถ้าพอมีก้อนหินขึ้นมาก็จะทำเป็นเกาะได้เป็นอะไรได้ได้หมดได้หมดพอเห็นก็รู้เลยไม่ต้องอธิบายนี่คือเรื่องของนิกายเซน ขณะกวาดพื้นแล้วได้ยินเสียงของเศษก้อนอิฐหรือเศษกระเบื้องที่ปลิวไปโดนลำต้นไผ่นี่แปบ๊บเดียวแค่นั้นเพราะฉะนั้นเรากวาดกวาดใบไม้กวาดทางเดินไม่ใช่กวาดเฉย กวาดไปภาวนาไปกวาดไปภาวนาไปกวาดไปภาวนาไปเป็นจังหวะเป็นจังหวะเป็นจังหวะนี่ก็ทําอย่างนั้นทีนี้พระเชียงเย็นนี่ท่านภาวนาท่านภาวนาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอ่าร้องเป็นเพลงเลย เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับเอทานภาวนาอยู่อย่างนั้นร้องเพลงอย่างนี้ไม่เรียกว่าภาวนาแต่กว่าร้องเพลงไปพรางทางานไปพรางนีเ่เรื่องมันก็เป็นอย่างนี้ เฉียงเย็นนั้นแต่กวาดเป็นกิจวัตรการกวาดขยะเป็นกิจวัตรของพระเหมือนกับเดินจงกรมฉะนั้นการกวาดขยะภาวนาว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้เมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับพอไปโดนลูกกรวดข้าว ลูกกวดนี้กวาดแล้วไปกระทบกับลาไม้ไผ่ดังโปก๊กพอดังโป๊กเป็นยังไงตาแจ้งเลยตาภายในของท่านแจ้งเลยเอา้าเพราะมันมีไม้กวาดมันจะมีลูกกรวดเพราะมันมีลูกกรวดมันจึงมีไม้ไผ่เพราะลูกกรวดไปกระทบไม้ไผ่ ก็ทําให้มีเสียงขึ้นมานี่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้สิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีพอดูแล้วอยลูกปวดก็มันไม่เห็นมันเป็นอะไรลูกปวดเองหรือว่ากระเบื้องเองมันก็จะแต่ว่าธาตุอย่างหนึ่งเป็นธาตุดินเป็นธาตุหิน แล้วไปกระทบกับธาตุอีกอย่างหนึง่งคือไม้ไผมันก็เลยเกิดเสียงดังขึ้นมาแต่ตามที่จริงเสียงมันก็ไม่มีหรอกเสียงมันก็ไม่มีไอ้ลูกกรวดมันก็ไม่มีไอ้ไม้กวาดมันก็ไม่มีไอ้คนกวาดมันก็ไม่มีเพราะไอ้ทั้งหมดนี้มันเกิดดับเกิดดับเกิดดับมันไม่มีอะไรมันเกิดดับเกิดดับเรียวกว่าวางจากตัวตน ฉะนั้นเพราะเชียงพระเชียงเย็นนี่ออกดังโปกขึ้นมาว่างเลยจิตของท่านว่างเลยนี่เห็นไหม น, นี่คือการปฏิบัติทำแบบเสรน ีหนึ่งเราก็ไปเจ็ดวันเจ็ดวันบางทีก็ไปโน่นไปประเทศลาวเนาะไปประเทศลาวไปหลวงพระบางไปโน่นวันนั้นก็ไปจากนี้เข้ากรุงเทพเข้ากรุงเทพแล้วก็จะเลี้ยวไปทางสุพรรณบุรีก่อนที่จะเลี้ยวที่ตรงนั้นเป็นยังไงก่อนหน้านั้นก็มีหมามันตัดหน้าเอ๊ะของใจมันมีอะไรไม่ก่อยดีแล้ว ทีนี้ก็รถติดควยแดงพอรถติดควยแดงก็เป็นคันที่สามคันที่สี่คันที่ห้ามาถึงก็ชนท้ายเลยทีนึงชนท้ายก็เป็นอันนะรถบุกไปไม่ได้ทีนี้ขนาที่รถมาชนท้ายที่ที่ข้างล่างนะเขาก็ทําบุญทําบุญก็ก็ถวาย ไอ้พวกหมากรูบุรีพวกนั้นหลวงพ่อก็หยิบหมากมาสองสามคำว่าเอาอมในรถทีนี้ก็เอื้อมเพราะนั่งข้างหน้าเอื้อมไปเอาหมากที่ตั้งอยู่ข้างหลังพอเอื้อมไปเอาหมากที่ตั้งข้างหลังรถก็ชนก้นของคันนี้เป็นยังไงหลวงพ่อ เกิดขึ้นมาเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้นน เ, นเกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่ง น, งนี้จึงดับเพราะอาวิชชาดับสังขารจึงดับเพราะสังขารดับวิญญาจึงดับนี่เห็นไหม <c oughs> เกิดขึ้นมาทันทีทันใดเลยในขณะนั้นเลยนี่เกิดเรื่องปฏิจจสมุปาฏิ์ขึ้นมาเพราะว่าเราปฏิบัติให้มันจำชองพอชจำชอง เรียบร้อยแล้วมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมาเราก็ไม่ตก อ, อกตกใจอะไรเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะมันมีรถมันมีคนขับทีนี้เมื่อคนขับมันเบรกไม่อยู่มันก็ชนเหล็กกับเหล็กมันก็ชนกันแต่ก็ไม่ได้ตก อ, อกตกใจอะไรเลยขณะที่มือเอื้อมไปหยิบหมากยังไม่ทันเข้าปากเลย นี่คือเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่ามันไม่มีรถอ่ะไม่มีรถไม่มีคนกลับไม่มีอะไรเนี่เราก็คิดว่าเหตุการณ์นี้มันก็ไม่เกิดนี่เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จึงไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับแทนจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นเมื่อจิตไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันก็เกิดธรรมดา เมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้จะไม่มีเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนี้จึงดับก็ทำไปตามเรื่องตามราวนี่ก็ว่ากันไปนี่คือธรรมะธรรมะช่วยได้ในทุกเหตุการณ์แล้วตามันก็จะแจ้งตาใจมันก็จะแจ้งขึ้นภิิกษูที่ที่ว่ า, า, าช่างเย็นนี่ ก็เช่นเดียวกันท่านก็ตาแจ้งขึ้นมาทันทีเลยในนี้ก็มีอีกเรื่องหนึ่งในนี้ไม่มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือลูกศิษย์กับอาจารย์ลูกศิษย์ก็ปฏิบัติอยู่ที่นั้นตั้งนานไม่รู้เรื่องอะไรเลยออกไปปฏิบัติข้างนอกเดียเด่ยวเดียเด่ยวเดี่ยวท่านก็เลยเดียวเดี่ยวก็รู้ สุญญาตาขึ้นมาก็รู้อนิจจังความไม่เที่ยงรู้ทุกขังยึดมัน่นหรือมั่นไม่ได้ในสิ่งที่มันไม่เที่ยงก็รู้อนัตตาก็รู้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนทุกสิ่งทุกอย่างว่างจากตัวตนพอท่านรู้ว่าว่างจากตัวตนจนเรียบร้อยแล้วท่านก็สงสารสงสารใครสงสารอาจารย์ที่สอนท่าน ท่านก็เลยกลับมาในฤดูหนาวทีนี้ทำยังไงในฤดูหนาวมันหนาวมากในวัดนั้นก็มีพระพุทธรูปไม้อยู่มากท่านก็เลยไปขนเอาพระพุทธรูปไม้นั่นแหละเอามาก่อไฟแล้วก็นั่งผิงผิงผิงนั่งผิงไฟนั่งผิงไฟทีนี้พระลูกวัดมาเห็นท่านโอ้ รูปนี้อมพระพุทธรูปมาเผาคอยหมดก็ดเลยไปบอกอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ก็มาดิอาจารยอ้ยทําไมเนี่ยคุณทําไมอมพระพุทธรูปมาเผาควยอ่ะบอกว่าผมเผาหาุนญาตาธาตุโอ้รุนญตาธาตุบ้าอะไรของคุณอพระพุทธรูปไม้นี่พระรูปนั้นก็ธาตุ ไม่มีสุญญาตาธาตุผมจะไปเอาพระพุทธรูปมาเผากไฟอีกเก้อเลยอาจารย์ใหญ่ก็เลยปรึบขึ้นมาข้างในอโอ้ทุกอย่างเป็นสุญญตาสุญญตาสุญญตาทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกอย่างยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนว่าไม่มีตัวตนก็แสดงว่าว่างจากตัวตน นั่นแหละคือสุนยตาธาตุ ของตนได้ดีที่สุดเซนเรียกสภาวะนี้ว่าความปลอดวิญญาณวงกลมเป็นสั ญ, ญลักษณ์ของสภาวะนี้เป็นสั ญ, ญลักษณ์ของความว่างที่เรียบง่ายที่สุดวงกลมแสดงถึงวิญญาณที่ปรศาศจากจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุด นี่คือสั ญ, ญลักษณ์ของสุญญตาแต่นั้นเมื่อเราจะไปที่ประเทศจีนเราก็เห็นแต่วงกลมแต่วงกลมก็ได้หรือ ว, ว่ า, อ, าอย่างที่หน้าผากของพระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าบุณโรมเขาก็จะทําเป็นวงกลมนั่นคือสุญญตาทีนี้ถ้าหากว่ า, าพระ หรืว่าเช่นเราสังเกตดูเลยามาจะไม่ควรอิมท่านเป็นพระอรหันต์แล้วท่านก็จีบมือเวลาข้าวทรงท่านจะจีบมือใครเข้าใจบ้างไหมท่านจีบมือทำเป็นกลมๆนั่นเน่คือสั ญ, ญลักษณ์ของสุญญาตาแล้วแต่ว่าลูกหลานไม่เข้าใจไม่เข้าใจนั่นเนี่ยคือสุญญาตาทีนี้พระพุทธรูป เรียกวา่าพระเซนอาจารย์เซนบางรูปก็ก็ทําหัวโคนศีสันโคนที่ตรงกลางนั่นก็คือสุญญาต า, าบางทีก็ทํำท้องกลมนั่นก็สุญญาตาสุญญาตาทางนั้นถ้าเราเข้าใจสุญญาตาเราจะอ่านออกทันทีแต่ไม่ในรูปไหนรูปไหนแบบไหนก็อ่านออกทันทีเลย เพราะอะไรเพราะสุนฺญาตาคือจิตจิตเราภายในนั้นจิตรู้อนิจจังสิ่งทั้งปวงไม่เทีย่ยงแต่ว่ากิเลสตัณหาอวิชชานะันก็ค่มอูเราอยู่เรื่อยมันว่าเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงเที่ยงทุกสิ่งอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่กับที่หวงพ่อก็บอกว่ามันไหลเรื่อยไหลเรื่อยๆลยเรืย ไม่มีอะไรที่มันอยู่กับที่มันไหลเลื่อยไหลเรื่อยไหลเื่อยเราก็บางที่ก็เชื่อบางไม่เชื่อบางแค่ถ้ามันไม่ไหลเสียงที่หลวงพ่อพูดนี่ไหลออกมาจากความคิดไหลออกมาจากสมองไหลออกจากปากก้าวจูไมโครโฟนได้ออกมาทางเรื่องเครื่องขยายเสียงไหลมาทางอากาศ แร้ก็ามาข้าหูเร า, อ, าอะไรก็ามาทางอากาศเพราะในอากาศนี้มันก็มีไฟฟ้าเป็นสี่อ้าวเสร็จแล้วเราก็มีหูเรามีประสาทหูประสาทหูของเราก็รับรับกับไปเป็นตอนเป็นตอนทยอยทยอยทยอยทยอยทยอ ย, ทยอยกันไปรับรู้ที่ประสาทรับรู้เสร็จแล้วเอาไปเก็บไว้แต่ถ้าเราเอาไปเก็บไว้เฉย ไม่มีประโยชน์อะไรเลยเราต้องรู้ว่าว่างนี่มันคืออะไรว่างนี่มันคืออะไรอย่าไปคาใจว่าว่างคือไม่มีอะไรไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรว่างมีทุกอย่างแต่ว่าเราไม่เข้าไปยึดมัน่นเถอมั่นมัน่นในนี้ทุกอย่างมันทยอยเกิดมันทยอยดับ ถ้ายอยเกิดถ้ายอยดับถ้ายอยเกิดถ้ายอยดับถ้ายอยเกิดถ้ายอยดับเพราะมันไม่มีตัวตนมันไม่มีตัวตนนีจิตเราเข้าใจว่ามีตัวตนมีอยู่จริงจับต้องได้เปลืองเนื้อที่แต่เสร็จแล้วเป็นยังไงมันก็ไหลเรื่อยอนิจจังอนิจจังอนิจจังไม่ใช่นิจจังอนิจจัง นิจจังนี่มันเที่ยงอานิจจังนี่มันไม่เที่ยงสิ่งที่มันไม่เที่ยงที่มันไหลเรื่อยเราข้าไปยึดมั่นเถอมั่นให้มันอยู่กับที่ <isty accent> เป็นไปไม่ได้ฉันั้นเราก็ขา้าไปยึดถือไม่อยากหนังเหยียวม่อยากผมงอกไม่อยากฟันรุดเป็นไปไม่ได้เพราะสิ่งเหลานี้เป็นอนิจจังอนิจจังอนิจจังไม่ใช่ตัวตน อนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนไอ้ที่มีตัวตนนี่มันหลอกลอกทั้งนั้นเลยนี่มันหลอกทั้งนั้นเลยนี่เห็นแล้วเป็นยังไงทีเนี้ยไม่ใช่ตัวตนนี่ถ้าเราเห็นอนิจจังเห็นอนิจนจังอนิจจังอนิจจังอนิจจังตอนแรกโอเคอนิจจังก่อนเห็นการไหลไหลๆ ข, ของสรรพสิง่งก็คือทั้งหมด ทุกอย่างไหลไหลไหลไหลเห็นแต่ไหลไหลไหลโอ้จริงแล้วจิตนี่ก็ไหลร่างกายนี่ก็ไหลวัตถุก็ไหลไหลทั้งนั้นเลยี่เห็นอันนี้จังพอเห็นอนนี้จังแล้วเป็นยังไงเขาก็อยากเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันที่ข้าไปยึดมั่นถือมันม่นมันทําไมอ่ะอืนั่นแล้วก็เลิกความยึดมั่นถือมัน่นค่อยๆเลิกความยึดมั่นถือมัน่นเสร็จแล้วเป็นยังไง พอเลิกทุกขังมันค่อยๆ ค, คลายเลยมันค่อยๆเบาค่อยเบาลง เ, เบ า, เ ล, บาลงเ บ, าล ง, บาลงทุกขังขังเบาลงอนิจจังเป็นพื้นฐานของอนัตตาเป็นพื้นฐานของอนัตตาพอเราเห็นว่าเป็นอนิจจังต่อไปก็เห็นเป็นอนัตตาอันนี้ไอ้ที่เราเห็นกับตาเนี่ย มันเห็นว <Hi ata, S 1> mm ่าเป็นอัตตาเป็นอัตตาเป็นตัวตนไม่ใช่เป็นอนัตตาอนัตตาแปลว่าไม่ใช่ตัวตนอัตตานี่แปลว่ามีตัวตนเห็นไหมมันคนละเรื่องกันทีนี้พอเราแยกตัวเรานี่เราแยกออกเส้นผมโกนไปทิ้งไว้ที่หนึ่งขนตามตัวกดโกนไปทิ้งที่หนึ่งเล็กดเดงไปไว้ที่หนึ่งฟันกัน เอาออกให้หมดผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกทุกสิ่งทุกอย่างตามที่อาการสามสิบสองที่เราสวดนั้นเอาออกไปออกไปออกไปแล้วตั้งไว้เป็นตั้งไว้เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่เป็นที่ไม่มีคนเลย รู้คนอยู่ที่ตรงไหนตัวเราไม่มีนี่พอเห็นอย่างนั้นแล้วเกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนี่จิตนั้นก็เลยว่างว่างจากอะไรเหมือนที่พูดได้ฟังเมื่อคืนน่ะเห็นแต่สิ่งที่ไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามไม่สวยไม่งามเห็นอสุภะความไม่สวยไม่งามของตัวเองเห็นความไม่สวยไม่งามของคนอื่น ว่เห็นความไม่สวยไม่งามแล้วเป็นยังไงหนึนก็เบื่อหน่ายเบื่อหน่ายบอโอ้มันไม่มีตัวตนเลยจริงๆเลยเห่นไหมเพราะฉะนั้นอนิจจังเป็นพื้นฐานของอนัตตาอนัตตาเป็นพื้นฐานของสุญญตาเห็นไหมันไปเป็นขั้นตอนขั้นตอนพอเห็นอนัตตาแล้วเป็นยังไงอไม่มีตัวตนนไม่มีอะไรสักอย่างที่มีตัวตน ก็บังคับมันไม่ได้เลยไม่มีตัวตนพอไม่มีตัวตนก็ขึ้นทีนี้ขึ้นอีกขึ้นไปที่สูงอีกสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นสุญญตาทีนี้เป็นสุญญตาว่างจากตัวตนว่างยังไม่หมดยังว่างไม่หมดมันค่อยๆว่างออกไปวว่างออกไปวว่างออกไววว่างออกไกวว่วางจนถึงที่สุด พอว่างถึงที่สุดคือเรียกว่าว่างจนอิ่มหลวงพ่อเคยนิมิตแล้วก็เคยบอกเคยพูดหลวงพ่ อ, อเป็นยังไงนิมิตเห็นเห็ดน้ําค้างเห็ดน้ําค้างเห็ดพรอยน้ําค้างตามที่จริงหลวงพ่อก็เห็ดพรอยน้ําค้างหลวงพ่ก็สงสัยพรอยน้ําค้างนี่มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นไม่เคยรู้จักเล ย, ยเห็ดปลอยน้ําค้าง ไอ้พลอยน้ำค้างเองหลวงพ่อก็ไม่รู้จักวันนั้นก็เลยโทรไปถามโยมยินดีว่าโยมยินดีไอ้พลอยน้ำค้างนี่มันเป็นยังไงโยมยินดีบอกว่าไอ้พลอยน้ำค้างอะเนื้อมันอ่อน <c oughs> มันมีหลายสีสีเขียวสีแดงสีเหลืองอราคามันก็ไม่แพงเหมือนกับพลอยจริงๆอันนี้มันพลอยน้ำค้างไอ้นี้หลวงพ่อนิมิตอะเห็นอเหตุ รอยน้ำค้างเหตุนั้นจะว่าเหตพรอยน้ำค้างเหดพรอยน้ำค้างนี่โอเห็นก็จริงๆเป็นยังไงคือมันน้ำค้างํามค้างที่มันแข็งพอแข็งเสร็จแล้วก็อยู่ที่ปลายยอดหญ้าไปที่กุชินาราบรรยายเสร็จบรรยายเสร็จแล้วเพราะว่าไปตั้งแต่หกโมงบญญรรยายเสร็จก็เดินไปไปไ ป, ไปเวียนปทักษิณ ที่พระพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ที่สนามหญ้ามันก็มีไอ้น้ำค้างเพราะตอนกลางคืนมันหนาวน้ําค้างก็จับที่ยอดหญ้าเปลวเปลวเปลวเปล่าอู้อ น, นี่เองเห็ดพลอยน้ําค้างหลวงพ่อก็เลยบอกโยมช่วยถ่ายรูปนอนจ่ายทุกนอนถ่ายรูปเห็ดพลอยน้ําค้างหน่อยนี่เนหะ็ดพอยน้ําค้างที่นี่หลวงพ่อในนีมิดว่า ฉันเห็ดพลอยน้ำค้างให้จนอิ่มแปร่เลยพอแล้วพอแล้วพอแล้วพอแล้ ว, ลวนี่เรีกว่าอิ่มอิ่มสุญญตาเพออิ่มสุญญตาเป็นยังไงต่อไปความสุขสงบเย็นนั้นก็จะมาที่นี่นิพพานปรามังสุญญังนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานสุย่างสุญญังนี่คือว่าง ว่างอย่างยิ่งนิพพานังปรเมงฉุนยังนิพพานว่างอย่างยิ่งนิพพานังปรเมงจุก ข, ขังนิพพานสงบเย็นนี่พอว่างหมดก็สงบเย็นทีนี้นี่แหละเป็นขั้นตอนขั้นตอนขั้นตอนกันไปอย่างนี้ฉะนั้นเราปฏิบัติก็ต้องปฏิบัติไปให้มันเป็นขั้นตอนพูดส่วนมากผู้ที่จบเป็นด็อกเตอร์ จบปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกอะฮเพราะพูดว่าว่างอย่างนี้เก็โอ้เข้าใจแล้วเขาใจแล้ว่วางอะไรว่างไม่มีอะไรทีนี้เขาไม่จับเขาไม่จับสมมติอะไรหรือว่าเรื่องจริงอนะ่ะพระกที่จบปริญญาเรียนเก่งๆปริญญาตรีปริญญาโทนี่กลามาบวชพอบวชแล้วไปจับเอาตัวว่างมันไม่ได้ไปจับเอาตัวว่าง ต้องออกอนิจจังก่อนถ้าไม่เห็นอนิจจังในใจเห็นว่างไม่ได้ผิดหวังดังนั้นเลยเมื่อผิดหวังเป็นยังไงที่นี่ซึกเมื่อก่อนคิดว่าจะไม่เซึกแล้วบวชไม่ซึกบวชไม่ถึงไม่จริงไม่จริงเจ้าคุณก็ยังซึกเลยแต่ทําไมเพราะว่าไม่เห็นธรรมที่ไม่เห็นธรรมก็เพราะไม่ปฏิบัติธรรมดันั้นในการปฏิบัติต้องเห็นอนิจจังก่อน เห็นอนิจจังไม่ใช่ไปเห็นสุญญตาเห็นอนิจจังก่อนสุญญตาน่ะเป็นปลายอยู่ทางปลายอนิจจังเนี่ยมันอยู่ที่พื้นดินที่พื้นฐานอนิจจังทุกขังต่อไปก็เห็นอนัตตาพอเห็นอนัตตาโอ้ทุกอย่างไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนจริงเลยชมมดทางนั้นเลยชมมดทางนั้นเลยเสร็จแล้วก็ว่างว่างว่างว่างว่างว่างเห็นว่างทีนี้ พอเห็นว่างจนว่างถึงที่จุดชื่อว่าปรมานุตระุนญตาว่างจนไม่มีอะไรที่จะว่างอีกแล้วว่างหมดเอาว่างหมดกดเป็นอันว่านิพพานังกระมังจุกกังนิพพานสงบเย็นอย่างยิ่งนี่เรื่องของชนญาตาหรือความว่างเป็นอย่างนี้ฉะนั้นเราปฏิบัติ จุดหมายแปลาทางของเราก็เกิดพระนิพพานพระนิพพานไม่ใช่ชาติหน้าไม่ใช่ชาติโน้นพระนิพพานเดี๋ยวนี้แหละเดียวนี้ที่นี่เดียวนี้ถ้าจิตของเราสงบเย็นแล้วก็สบายสบายนี่มีแต่ความสบายมีแต่ความเย็นเย็นเย็นเย็นอกเย็นใจนี่อย่างนี้เป็นต้นอันนั้นญาติโยมทั้งหลายฟังแล้วดูแล้วเอาไปคิดเอาไปคิดให้ดีๆแล้วก็เอาไปปฏิบัติ ด, ด้วย เอาแต่คิดก็ไม่ได้ต้องปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วก็ค่อยคืบคลานไปคืบคลานไปคืบคลานไปพอถึงสุญญตาแล้วเป็นยังไงโอ้ยกูเกิดมาชาตินี้ไม่ตายเปล่าแล้วไม่ยั้งตายแล้วก็เหม็นแล้วก็เผาก็ฝวังกันไม่มีประโยชน์อะไรเล ย, เลย เรื่องของเทียนไขนิดเดียวทีนี้การจุดเทียนการจุดเทียนเอาไข้เช็คไปจุดเทียนไม่ได้ต้องเอาเทียนไปจุดเทียนเป็นยังไงเอาเทียนไปจุดเทียนเอาเทียนไปจุดเทียนเราจุดเทียนเล่มเล็กเล็กแล้วเอาไปจุดเทียนเล่มโตตเราก็จด ไวายไปจอะอไวายไปจาเราก็ให้น้ําตาเทียนนั้นหยดลงไปที่ทราเทียนที่เราจุดพอมันติดเทียนใหญ่หรือว่าเทียนที่เราเอาไปต่อนั้นพอเทียนใหญ่นั้นติดเพราะว่ามันได้น้ําตาเทียนที่เราเอาเทียนเล็กมันไปจุด อนนี้เป็นยังไงพอเตียนะมันอยู่นานๆใช้เวลาพอาอยู่นานไปนานไปนานไปมันมอดเราเรียกว่ามันมอดพอมันมอดเราต้องเคีย่ยวเอาอะไรที่แข็งๆไปเคีย่ยวเคี่ยวไอ้ที่มันกาะหรือว่าไอ้ที่มันไหม้นั่นเป็นเท้าตานั่นออกไป ก็ออกไปแล้วก็ทําให้เทียนนั้นสว่างขึ้นอีกสว่างขึ้นอีกในอยู่ปีหนึ่งพระหมหาปทีบเป็นเพื่อนหลวงพอ่อตอนที่อยู่สวนโมกปีนั้นเก้าพรรษาอ้าก้าพรรษาท่านบอกอ้าวมหาปทีบไอจุดเทียนดีอ้าวจุดไม่ติดจุดยังไงก็ไม่ติดท่านอาจารย์โอ้ ไม่รู้กี่พรรษาแล้วจุดเทียนก็ยังจุดไม่เป็นเห็นไหมจุดเทียนก็ยังจุดไม่เป็นที่นี่ไอจุดไม่เป็นก็ยังไม่พอดับไม่เป็นด้วยดับเทียนก็ดับไม่เป็นด้วยบางคนดับเทียนหนึ่งดับเทียนก็เอาปากไปเป่าเทียนเล่มโตๆนั่นปากไปเป่าทีนี่มันก็มีน้ำตาเทียนที่อยู่เต็มมันก็กระเด็นใส่นาส อ, อย่างนั้น นี่ก็อย่างหนึ่งแล้วนี hey, ้อีกอย่างหนึ่งเวลาก็ดับเทียนดับกับอะไรก็ได้ให้มันดับไม่ต้องไปเป่าอพอมันดับแล้วทำยังไงเอา้า้เทียนนี่จุ่มลงไปไส้เทียนนั้นแหละเอาอะไรกร ม, มลงไปเอากรมลงไปแล้วมันก็ได้น้ำตาเทียนแล้วก็ยกขึ้นมาเฮ้ hey, พอกั้งต่อไปเราจะจุดไม่ยากแล้วทีนี้นี่น เรื่องเล็กๆน้อยๆเทนี้ เ, เทียนของเราในที่นี้หมายถึงเทียนจิตทเทียนจิตเราจุดเทียนก็คือเราปฏิบัติธรรมให้จิตของเราสว่างสวยเขาก็เลยนิยมในการถวายเทียนก่อนข่าพันษาอีนี้เราต้องขยันเราต้องขยันเราก็ต้องจุดให้เป็น ถ้ามันมอดขึ้นมามันมีไอ้ไส้เทียนนั้นมัน เ, เรียกว่ามันมั น, ม, นมันไหม้แล้วพอไหม้แล้วก็ต้องโอออกแล้วก็ทําให้เทียนนั้นสว่างขึ้นเทียนนั้นก็สว่างขึ้นมาอีกเทียนนั้นนี้เคล็ดลับเพียงนิดเดียวคือเอาที่ฝุ่นนอ้อโอสิ่งสกปรก อ, ออกจากจิตต้องร้องออกบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆ จนจินเป็นนิสัยจนจินเป็นนิสัยพอเป็นนิสัยก็ไม่ยากแล้วทีไม่ยากแล้วแสงสว่างมันก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรารู้เท่ารู้ทันมันนี่คือจิตเทียนจิตคือแสงสว่างถ้าหากว่าเราไม่เอามันออกมันก็มอดมอดมอดมอดแล้วก็มืดเลยนี่อย่างนี้เรื่องของ เียนหรือการจุดเตียนการดับเทียน สามารถทํางานตามคําสั่งได้นี่คุณควายเป็นไหมรู้จักบุญคุณของควายกระลุควายก่อนเมื่อก่อนควายไม่ค่อยมีมีวัวแต่ว่าคนเน่ยเป็นควายมากกว่าทีนี้วัวก็เหมือนกับควายนั่นแหละเขาเพื่ก่อนก่อนที่จะเอามาไถนาได้ต้องเพื่อเพื่อเพื่อเพื่ แล้วก็ไถนาจนแก่พอแก่แล้วไม่ใช่กอ็เอามาแกงแก่แล้วก็ต้องเลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้เลี้ยงเอาไว้จนมันตายมันเองหลวงพ่อตอนที่อยู่ป .2 กลับจากโรงเรียนมาถึงก็ข้าวกลัวกินข้าวเรียบร้อยอ้าวไปอีกแล้วเอาวัวนั่นแหละวัวแก่นั่นแหละเลี้ยงวัวแก่อยู่ตัวหนึ่งวัวแก่ตัวนั้นว่าชื่อว่าเอา็นไล เจลายเพราะมันลายเอาไปกินหญ้าอันนี้เอาไปกินหญ้าลิมคันนานั่นแหละเพราะในทุ่งนา ม, มันมีแต่ข้าวเอาไปกินหญ้าทุกวันทุกวันทุกวั น, วนจนแกให้มันก็ตายมันเองเนี่ยตายเองทีนี้เป็นยังไงเมื่อก่อนวัวตายตัวแ่งนี่เขาจะต้องเอาเขาเขานี่แหละเก็บไห้เก็บไห้เก็บไห้ เก็บไว้เป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่บางทีก็มีกระดูกด้วยเก็บเอาไว้เก็บเอาไว้แล้วไว้ที่ไหนเอามาไว้บนรลอมข้าวคือข้าวแล้วก็ทําเป็นเลี้ยงเมื่อก่อนทําเป็นเลี้ยงแล้วดับดับดับดับดั บ, ดบปีหนึ่งได้ห้องหนึ่งได้สองห้องอเสร็จแล้วเอาข้ววัว น, นั่นแหละเอามาวางเอาไว้เห็นไหมนี่ก็รู้จัก บุญคณของวัวรู้จักบุญคณของควายนี่เขาก็เลยคนนี้ทำกาทำความคารวะควายแต่ตามที่จริงหลวงพ่อว่าน่าจะวัวมากกว่าเพราะเขามันไปข้างหน้าแต่ว่าคนไม่รู้จักวัวก็คิดว่าวัวคือควายแต่ตกลงคนเขียนนี้ก็กลายเป็นควายไปเอง สุขของชีวิตที่แท้ที่แท้จริง ก, ก็จะมาถึงให้ดูคนผู้นี้นอนในถุงผ้ามีลูกน้ำเต้าข้างๆสำหรับที่จะใส่น้ำของพ่ออยู่ที่กุฏิโอ้ดูดูได้ ลิงมา น, นอนที่ไหนนอนปลายไม้มันมีหมอนไ้ยไม่มีมีจานข้าวไ้ยไม่มีมีที่นอนไ้ยไม่มีไม่เห็นมันมีอะไรน อ, นนอ๋นอนกนกตัวเล็กเล็กนอน๋อแล้วก็ใส่น้ำไว้เราก็มาอาบน้ำตอนเที่ยงตอนบ่าย ร้อนก็มาอาบน้ำสองตัวสามตัวห้าตัวมาอาบแล้วก็มากินน้ํากันที่ตรงนั้นอนกหม้อข้าวมันก็ไม่มีหม้อแกงมันก็ไม่มีช้อนชามันก็ไม่มีอะไรมันก็ไม่มีอยู่บนกิ่งไม้จะทํารังเมื่อก็จัดวางไข่เท่านั้นแล้วก็ฟักไข่ เพื่อที่จะสืบพันในลูกออกมาต่อไปไม่เห็นมันมีอะไรเสร็จแล้วเป็นยังไงพ อ, อกลับมาดูตัวเองอันนั่นก็มีอันนี้ก็มีอันโน้นก็มีโอ้ยมีจังนั้นเลยไม่ไหวเลยมากเกินไปมากเกินไปคิดว่าไอ้มันพอดีพอดีพอดีพอคิดว่าพอดีรวยทันทีเลยรวยทันทีเลย แต่ถ้าคิดว่าต้องมีให้มากให้มากให้มากให้มากยังไงต้องหาเงินหาทองเก็บให้มากมากมากมากจนยังจนจนจนจนจนอยู่อย่างนั้นะความรู้สึกเพราะด้วยอำนาจของความอยากคือตัวตันตัวตันหานั่นตัวตัญหาคือตัวความอยากนั่นตัวความอยากไม่มีคำว่าพอเลยนี่ด้วยอำนาจติดตัญหาตัวความอยากมันมามบีบ จิตของเราให้มีความรู้สึกว่ายังจนยังจนอยู่จนทางนั้นจนทางนั้นมีกี่ร้อยล้านกี่พันล้านก็ยังจนอยู่อย่างนั้นตกลงว่าตายกับจนตายกับจนทีนี้ดูคนนี้นี่นอนในถุงผ้าแล้วก็มีสมบัตินิดๆหน่อยๆเอามาทำหมอนน้ำก็ใส่ในลูกน้ำเต้าอันนั้น นี่ก็าล้ำรวยแล้วก็รู้จั ก, จกล้ำรวยแล้วอพรุ่งนี้จะกินอะไรไม่ได้คิดมีอะไรก็กินอันนั้นหา อ, อะไรได้ก็ เ, เอาอันนั้นนี่กินเท่าที่มีอยู่เท่าที่มีแต่เขาคิดว่าก็า่้ำรวยที่สุดแล้วก็สบายที่สุดแล้วเพราะเขาไม่มีอะไรเขาก็เลยสบายเลยสบายทีนี้ขอทานคนหนึ่งของพ่อก็เลยเล่าเคยเล่าให้ฟัง ขอทานคนนั้นมีจิตใจสูงเทียบเท่าพระอรหันต์ทีเดียวตอนเช้าแสงแดดพอ แ, แดดดวงอาทิตย์ขึ้นมาเขาก็นั่งอาบแดดพระเจ้าแผ่นดินเสด็จมามาถึงก็เห็นขอทานโอ้สงสารอ้าวท่านจะเอาอะไรบ้างอะเราจะให้บอกมาเราจะให้ ขอทานบอกว่าข้าพเจ้าขออย่างเดียวให้ท่านลีกออกไปจากที่นี้อย่ามาบางังแดดข้าพเจ้าเห็นไหมไม่ต้องการอะไรเลยต้องการว่ากำลังนั่งอาบแดดอยู่มาขัดจังหวะออกไปจากที่นี้เถอะพระเจ้าแผ่นดินโอ้โหยี่ขอทานนี้ขอทานานี้นั่มรวยเหลือเกิน ไม่ต้องการอะไรเลยนอกจากแสงแดดเห็นไหมนี่ความร่ํารวยนี่อยู่ที่ความรู้สึกว่าพอพอรู้สึกว่าพอเรรวยแล้วรวยแล้วมีไม่ใช่ว่าเราไม่ทําทําไปเรื่อยแต่พอได้มาเราก็กินเท่านี้ะนอนก็นอนเท่านี้ละมันเหลือทํายังไงช่วยเหลือผู้อื่นเราก็ช่วยเหลือผู้อื่น อย่างคุณชานวิทย์นี่ที่มาช่วยที่นี้เขาก็มีโรงงานในโรงงานทำไมยอยู่กัน2องสามคนโรงงานใหญ่โตอาลูกน้องหลายคนเลยบอกว่านี่ลูกน้องทุกคนเนี่ยทุกคนนี้เป็นเจ้าของทางนั้นนะเราเรียกว่าเป็นสากรกันแค่นั้นก็ถึงเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่ ได้กำรงกำไรมาก็าให้ลูกน้องเงินดงเงินเดือนก็ว่ากันไปตามเรื่องตามราวแต่ถ้ากินจริง ๆ, ๆตัวเองน่มันก็ไม่ได้ลาบากอะไรแล้วนี่แอะไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความรู้สึกหรือเรามีความสามารถมากเราก็ทำมากแต่เราก็กินเท่านี้เราก็นอนเท่านี้เราจะไปเอาอะไรอีกกินเท่านี้นอนเท่านี้นอกนั้นเป็นของใครก็ของคนอื่นทางนั้น หลวงพ่อดูห้องหลวงพ่อห้อ ง, งรับแขกมีอะไรมีซีดีมีหนังสือมีเก้าอี้มีเก้าอี้ e รับแขกยอมยินดีกัชื่อถวายโน่นตอนที่ไปที่แม่โจ้โน่นไปบรรยายทาก็เลยเอามาทำเก้าอี้นั่งรับแขกไม่เห็นมีอะไรเป็นของหลวงพ่อเลยของคนอื่นทางนั้นแต่ว่าใครไปนี่ต้องได้ ไร่ที่ไปหาหลวงพ่อนี่ไม่กลับมือเปล่าได้อย่างน้อยก็ซีดีหนึ่งแผ่นหรือได้หนังสือไปอะไรไปนี่มันอยู่ที่เรียกว่ามีแต่ว่าเป็นของคนอื่นอย่าคิดว่าเป็นของกูถ้าคิดว่าเป็นของกูแย่เลยทีนี้ถ้าคิดว่าเป็นของกูเนี่ยเต็มสมองเลยจรินั่นมีแต่ความยึดมั่นถือมั่นอะไรก็ของกูของกูของกู ตื่นขึ้นมากกขันเหมือนกับนกเขาเนี่ยของกูของกูของกูคู ก, กันทั่วไปหมดดังนั้นเราหยุดขันกันเสีบ้างถด้หยุดขันไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูเถียงอีกพอบอกอย่างนี้เถียงอีกโยม ไอภาวนาข้าวไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใช่ใตัวกูไม่ใจของกูแต่ น, แ น, แ น, น, น, แตนี่ใครเนี่ยที่นั่งไม่ใจกูแล้วใครเนี่ยที่นั่งอย่าเงี่ยไอที่เดินอยู่นี่ใครเนี่ยอาแล้วทาไมบังคับมันไม่ไดนะ้บังคับอะไรก็ไม่ได้จากนิดตั้งอย่าว่ามากมายเลยบังคับผมจากเส้นเนี่ยว่าอยากงอกอย่างงอกอย่างงอ ก, งงอกไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเราเลยนี่แต่มันของกูที่ไหน ของกูเราก็ต้องบังคับได้อมีคนหนึ่งบอกชื่อเล ย, ยนั่งนั่งถอนขนจมูกถ อ, อนขนจมูกติดมาสามเส้นก็สามเส้นเห็นขนจมูกโอ้มันงอกแล้วขนขนขนขนจมูกนี่มันสีขาวมันงอกแล้วตายแล้วตายแล้วกูนี่อา น, นิจังอา น, นิจังอ น, นิจังอา น, นิจังพปร่งเลยนี่เรียกว่าเห็นอา น, นิจังเพราะ ขนจมูก เจ้าและพระพุทธเจ้าถุงผ้าเมื่อหลับภาระทางโลกจะหายไปเท hey, พเจ้าและพระพุทธเจ้ากลายเป็นความว่างเหมือนกับถุงผ้าในนี้จะหลับก็ดีจะตื่นก็ดีอยู่กับความว่างให้จิตอยู่กับความว่า แต่ถ้ายังไม่ถึงความว่างอยู่ยังไงอนิจนจังอนิจจังหายใจข้าวเกิดดับคืออนิจจังนั่นแหละเรียกว่าเกิดดับหายใจข้าวเกิดดับหายใจออกเกิดดับให้ภาวน า, าวอย่างนั้นแต่ถ้าถึงอนัตตาหายใจข้าวไม่ใช่กูหายใจออกไม่ใจกูจะเดินจะยืนจะนั่งจะนอน หายใจข้าวไม่ใจกูหายใจออกไม่ใจกูไม่ใจกูจนทาตอบมันออกมาถามมันอยู่นั้นแหละถามมันอยู่นั้น ไ, <ม>ไอ้ไม่ใจกูไม่ใจกูไม่ใจกูทองมันอยู่นั้นอืไม่ต้องไปเบื่อแล้ววันหนึ่งไอ้ไม่ใจกูเนี่ยจะบอกออกมาโ oh, อ้ใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วใช่แล้วแล้วก็ไปที่กุสินารานั่นแหละ แล้วเป็นยังไงบรรยายเสร็จบรรยายเสร็จก็จะไปที่พระสถตรูอันี้ไปพระสถตรูก่อนั้นน่ยที่บอกว่าเห็นน้ําค้างเนี่ยเห็นน้ําค้างก็คือเห็นเห็นไอเห็ดน้ําค้างก็ถ่ายรูปถ่ายรูปเสร็จก็ไปที่ที่เจดีย์หรือที่ที่ที่ตรงนั้นเนี่ยเราเรียกอะไร ที่นี้ก็หลายหลายกลุ่มโอ้ยลราไปพูดที่พุทธกยาก็ดีที่ตรงไหนก็ดีมีกลุ่มนั้นกลุ่มนี้กลุ่มน้อยกลุ่มนั้นก็โฉดีดีปีโจกลุ่มนี้ก็นั่งธรรมทิกลุ่มนี้ก็พูดแต่มีอยู่พูดอยู่กลุ่มเดียวกลุ่มเรานั่นแหละกลุมอื่นไม่ได้พูดทีนี้ก็ไปไปเดินกันไปกลุ่มน้อยอีดีปีโจภาคาวาลาธรรมะ อ้าแล้วก็มีผ้าด้วยมีผ้าผ้ายาวประมาณยี่สิบสามสิบเมตรชูผ้าขึ้นทุกคนแหละแขนนี่ชูผ้าขึ้นข้างบนหลวงพ่อเลยขำว่าโอ้ผ้ า, านี้มันหนักเหลือเกินนี่ต้องหามกันถุงยี่สิบสมสิบคนผ้าผืนเดียวแล้วก็ชวดีีตีมิโซกันไปพอก็เสร็จเราก็ข้าวข้าวไป ไปถึงกูบอกญาติโยมหมดนี้ไม่ต้องอีทีปีโซไม่ใช่กูวายพร้อมๆกันไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูนี่หูก็มองกันเลยมองว่าว่ามาจากไหนเนี่ยมองไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวหลวงพ่อเป็นหัวหน้าได้อย่างหนึ่งไม่ต้องกลัวนี่ ก็เล <Gibbs. S 2> ไม่ใจกูไม่ใ่กูนี่เพราะว่าไม่ใจกูไม่ใจกูหลวงพ่อของโนูพระพุทธเจ้าโโปรหน้าออกมาโโปรหน้าออกมามัถึงอะใช่แล้วลูกใช่แล้วลูกเออเห็นไหมพระพุทธเจ้าโโปรหน้าเห็นคอแล้วก็ท่านบอกเออใช่แล้วลูกใช่แล้วลูกไม่ใ่กูไม่ใ่กูใช่แล้วใช่แล้วนี่เห็นไหมไม่ใจกูไม่ใจกูนี่เป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้ายัง เป็นพยาหน้เลยแค่เราทาําไว้อย่าไปโง่ตำอํานาจของกิเลสตัณหาไม่ปัญญามันเกิดเห็นความไม่ใช่กูและพระพุทธเจ้าก็ขอขอนุโมทนาสาธุกับพวกเราที่ไปเวียนพระจักของพระองค์อยู่ที่ตรงนั้นเกิดที่พุทธคยานั่นเองอที่กุชินาราไม่ใช่พุทธคยา มีพัดอยู่ข้างๆนั่นคือพัดสําหรับพัดเยน็นเยน็นเยน็นทั้งสงบแล้วก็ทั้งเยน็นอาจารย์พุทธตาต้านบอกว่าเย็นนี่ไม่ใช่เหมือนกับน้ําแข็งที่อยู่ในตู้เยน็นเยน็นจิตใจสงบเยน็นสงบเยน็นสงบเยน็นเพราะความไม่ยึดมั่นคือมั่นต่างหากมันจึงมีความสงบเยน็น สติอไว้อะไรเข้ามาสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสติก็ดึงปัญญามาดับมันเสียปัญญาในที่นี้คืออะไรนิโรดนิโรดนิโรตุสมุทยัยนิโรตอมาดับทนนี้เราก็ที่ทาให้เราสนุกสนุกหัวร้จน ตาค้างเลยนั่นก็คืความทุกข์เหมือนกันแค่นั้นตรงกับหัวเราะท่า น, นบอกว่าหัวเราะเหมือนกับคนบ้าถ้าหัวเราะเหมือนกับคนบ้าหัวเราะเห็นไหมมันจะเห็นฝันเห็นอะไรต่ออะไรหัวเราะจนน้ําตาไหลเนี่ยก็เหมือนกับคนบ้าไปร้องเพลง ก็เหมือนกับคนวิกลจริตเหมือนกันก็ดูดิคนที่ร้องเพลงที่ร้องเพลงดูดิในโตัวรัฐมันทำยังไงหน้ามันยู่ยี่มันทำอย่างนั้นมันทาอย่างนี้ร้องเพลงเหมือนคนร้องไห้คนหวัวเราะคนบ้านคนร้องเพลงร้องไ ห, ห้เห็นไหมเหมือนกับร้องไห้นี่พระอริยเจ้าท่านว่าอย่างนั้นท่านว่าอย่าง ก็ดูที่เวลามันร้องเพลงน่ะมันต้องทำหน้าต้องทำตาต้องทำอะไรมันเหมือนร้องไห้นั่นแหละมันร้องไห้แต่เราดูเป็นสวยเป็นหล่อเป็นงามเป็นอะไรไปเพราะเราก็เป็นกับมันด้วยมันโดยเป็นกันไปหัวเราะกวนบ้าร้องเพลงร้องไห้จะนั่นไม่ต้องเอาทั้งสองอย่างหัวเราะพระอริยเจ้า ท่านเพียงยิ้มยิ้มแค่นั okay. ้นเองไม่ใช่หัวลรก้าก้าก้าก้าไม่ใช่พระไม่ใช่หัวลรก้าก้าก้าก้าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แล้วมีแต่ยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มยิ้มไม่ใช่หัวลกก้าออกมาขาดสติเห็นไหมนี่สต enfin, ิต้องกำกับอยู่ตลอดเวลากำกับอยู่ตลอดร้องไห้ไม่เอา ยังไม่เอาใหญ่นี่ร้องไห้ทําไมร้องพ่อพศ2525เพราะว่าเมื่อก่อนก็รับยมแม่ออกมาเลี้ยงไว้ที่นี้เอาเลี้ยงที่นี้ท่านบอกว่าโอ้ลูกหลวงแม่จะกลับบ้านแนละ้วยมแม่ยังกลับไม่ได้จะต้องทําบุญให้ยมแม่ก่อนออกพรรษาทีนี้พอออกพรรษาก็นิมนต์พระมาสิบรูป จำบุญนายอยู่ไหมพอจำบุญเสร็จพี่สาวก็มารับเน่าก็ไปอยู่บ้านพี่สาวไปอยู่ได้เท่าไหร่หนึ่งเดือนพอหนึ่งเดือนตอนนั้นมันไม่มีโทรศัพท์ไม่มีอะไรพอร้ยี่ห้ายังไม่มีโทรศัพท์แต่ก็มีแล้วมีโทรศัพท์บ้านมีอะไรอย่างนั้นนแต่เรานะี่ยไม่มีเงินที่จะเอามาสร้างเอามาใช้ ก็เลยโทรเลขมาโทรเลขมาบอกว่าโยมแม่เสียชีวิตแล้วเพราะว่าโยมแม่เส well ียชีวิตแล้วเออโยมแม่เสียชีวิตอก่าโยมแม่เส well ียชีวิตคงมาได้คิดอะไรมากคิดว่าเอา man, well เอแล้วเร า, เ า, เ า, เาจะไปยังไงน้นําท่วมตอนนั้นน้ําท่วมไปดูทางทิศเหนือของโอเขานี้เป็นทะเลเลย เป็นทะเลยจะไปยังไงจะไปยังไงก็คิดไปคิดมาไปจากนี้จะไปที่ทะเลน้อยไปทะเลน้อยก็เมาเรือไปจากทะเลน้อยไปโน่นไปเจะโน่ยังไม่ถึงโน่ยังไม่ถึงเรานั้นวัด บ, บ้านใหม่เข้าไปไปแล้วโน่นจนเผาว่าจะกลับมาว่าจะกลับมาได้ทีนี้ไหวก็ไม่กี่คืนหรอก เพราะว่ายังไงน้ํามันท่วมแก้เอี่ยวในวัดก็น้ําท่วมที่ไหนก็ท่วมหมดท่วมหมดก็เลยอ๋อนี่ใรู้นะเจ้าภาพนี่ไม่มีการแกงหัวแต่ในอย่างอื่นไม่ว่าการพ น, นันก็ไม่เอาไม่เอาทางนั้นก็บอกแล้วไม่เอาหรือการพนันมันจะได้ถ้าต๋องขะอะไรแล้วกจ็จะเอาไปทา หวายพระชวดบอกว่าไม่ต้องฉันมีแล้วที่พระสวดอะ่ะไม่ต้องการหรอกฉันของฉันมีแล้วเล่าไม่เอาอะไรไม่เอาไม่เอาทางนั้นไม่เอาทางนั้นไม่เอาไหว้หลายคืนกลางคืนหลวงพ่อกดเทศเทศอีกก็บอกว่านี่อยู่ที่วัดหลวงพ่อกดเทศแล้าโยแม่ฟังอา้าวโยแม่เสียชีวิตแล้วกงของมาเทศแล้วยโยแม่ฟังอีก เทศกันอยู่นี้หละเทศกันอยู่นี้นี่บางทีมันกดอ๊กขึ้นมาอ่หยุดแค่หน่อยหนึ่งหยุดแค่น่อยหนึ่งนี่แต่ว่าพยายามที่จะคมยากอยากเกิดขึ้นไม่เอาย็ดมันเถียมันไม่เอานี่มันก็หยุดทันทีแหละนี่ใครมันจะทนได้ดยมแม่ตายไม่ร้องไห้จากนิดพ่อไม่ไม่รอ้รองเลยไม่ร้องเลยไม่ใช่ไม่รักโยอมแม่รักโยมแม่นั่นแหละ ยังมาสร้างวัดนี้ขึ้นมาต้องการที่จะมาเลี้ยงดูโยมแม่กราบเรียนท่านอาจารย์ว่าท่านอาจารย์ครับก้าจะต้องไปจําพรรษาที่พัทลุงแล้วปีนี้เพราะโยมแม่มีอายุมากแล้วอยากจะไปเลี้ยงโยมแม่เพราะนั้นมาเลี้ยงยได้สองสามปีฮะมาเลี้ยงอเลี้ยงโยมแม่เป็นสามปีสี่ปีห้าปีเลี้ยงจนโยมแม่อายุแปดสิบแปด แปดสิ่แปันนี้เป็นอะไรอ่าที่ได้เสียชีวิตแต่เป็นอะไรท่านบอกว่ารูกเออตอนยันนี้ไปเก็บผักบุ้งมาเลยอยากจะเอาผักบุง้งลวกผักบุง้งอยากจะกจิ้มน้ําพริกแปบบเดียวโยว่แม่นั่งนั่งนั่งเค่อยๆก้มลงก้มลงก้มลงก้มลงก้มลงก้มลงก้มลงก็ลงเลยเขาให้หนอโอ้แม่เป็นอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วก็เลยให้หนอ พอเด็กหน่อยก็เลยเสียชีวิตเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยเห็นไหมไม่ได้เป็นอะไรเลยนี่ด้วยอํานาจที่ลูกได้บวชได้บวชพระแล้วได้ทําประโยชน์ในด้านศาสนาทีนนี้มีอยู่ครั้งหนึ่งครั้งนั้นโยแม่ไม่สบายพรโยมแม่ไม่สบายตอนกลางคืนนตอนกลางดึกตอนกลางดึกเป็นยังไงทีเนี้ ของพ่อก็ไม่รู้ไม่รู้นอนหลับจนกลางดึกมีเสียงมาเรียกแล้วเสียงเสียงมาเรียกเรียกว่ายัางไงน้องหลวงเฮ้ยรอยมาเรียกกลางดึกกลางดื่นมีตัวระอะไรยกหัวขึ้นรอรเนี่ยอเยออก็ไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้คิดอะไรมากก็เอาเยก็มาเรียกอยีกแล้ว ทีนี้คนจริงมาเรียกแล้วคนจริงมาเรียกน้องหลวงแม่ไม่สบายให้แม่เป็นอะไรแม่ปวดท้องมากอานี่ก็เลยช้าก็ให้หมอามารับไปโรงพยาบาลเพราะตอนนั้นก็สนิทสนมกับปออโรงพยาบาลปัตลุนีเขาก็เอารถนั้นรับคนไข้นั่นเนี่ทีนี้ถามว่าเด็กใครคนที่มาเรียก อาเรียก่อนนั้นคือใครจะบอกให้ฟังวันที่นี้นั่นน่ยคือเทพเทพพิจิตรีนั่นคือเทพเขาก็มาบอกก่อนบอกกลองพวกก่อนก็จะดูแลนี่พวกเราที่มานอนตรงนั้นตรงนี้ตรงโน้นก็จะดูแลพวกเราตลอดเวลา เ, เราไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวอะไรก็จะดูแลอยู่ตลอดเวลาตอนที่มาสร้างใหม่ รวมพ่อก่อเดินจงกรมเดินยินโค้งก็ยังไม่มีนะตอนนั้นแล้วมันก็ยังไม่มีต้นไม้ที่มันสูงสูงใหญ่ขนาดนี้หรอกแค่หัวก็เรียกว่าดีโคไปแล้วเดินจงกรมเดินไปเดินมาเดินมาเดินไปกระซิบเดินมาทางทิศตะวันออกมาตรงนี้แหละกระซิบ บอกที่หูกลางซ้ายส่วนมากถ้าการชี้ไปที่หูกลางซ้ายไปจาเอา้ามีคนมาหลงพอก็ไม่ไคิดว่าเสียงนี้มาจากไหนก็เลยมองมองมองมอ ง, มองดูเอา้ามีคนมาจริงๆมานั่งอยู่ก็ถามว่าโยมมาจากไหนโยมก็บอกว่าได้ยินข่าวว่าพระมาจากสวนโมกมาอยู่ที่นี้แล้วก็เลยอยากจะมาหาท่านนี่ ต่อมาก็โยงคนนั้นก็เป็นอุบาสกวัดนี้จนเสียชีวิตเลย ee, เนีน่อะไรเนี่ยเห็นไหมอะไรเนี่ยนี่จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้โดอเขาจะดูแลพวกเราอยู่พวกเรานี่ก็เขาจะดูแลดูแลดูแลความปลอดภัยอะไรนี่เขาจะดูแลดูแลหลวงพ่อนั่งสมาธิเอานั่งสมาธิวา่ายัางไงอีกนั่งสมาธินั่งสมาธิบนเก้าอี้นั่นแหละเมาื่อก่อนทําเก้ายีาา้ตัวโ ต, โต ไอ้นั่งสมาธิได้สบายนั่งปิงก็นั่งนั่งตอนกลางดึกพ็นั่งนั่งก็รลยมันกัดซิ่ปีกันโอ้ยยกธงขาวได้แล้วเห็นไหมอรอยยกธงขาวได้แล้วก็ก็ก็คิดอ่ะอร่อยยกธงขาวยกธงขาวนี่เหมือนกับนักมวยท่ากว้างปากขาวเลยแสดงว่าแพ้แล้ว หลวงพ่อว่ไม่แพ้เดืดขาดตายเป็นตายไม่ยอมไม่ยอมไม่แพ้หรอกหลวงพ่อไม่ยอมไม่ยอมยังไงก็เป็นอะไรก็เป็นกันไม่ยอมแพ้สามวันก็คิคดไปเรื่อยเืยเอ๊ะอะไรวะธงขาวยกธงขาวนี่อะไรกันพอหลวงพ่อก็กวาดขยะที่้องรับแขกตรงนั้นยังไม่มีหลังคาตอนนั้นกวาดกวาดกวาดเอ๊ะธงขาว ร, รงชาติมันมีสามสีสีแดงคือชาติสีขาวคือศาสนาสีน้ำเงินคือพระมหากษัตริย์ปปรบขึ้นมาบอกโอ้รงขาวก็คือเขามาบอกว่าให้หลวงพ่อนี่ป ร, าศาศาศาประกาศศาสนาประกาศธรรมะได้แล้วนี่แจ้งเลยทีนี้แจ้งเลยนี่เห็นไหมนี่เลย คือเดียวกัเทพเทพเทพเทพที่เขาบอกกันตรงๆชื่อๆเลยเนี่ยก็ามากระซิบเลยไม่เห็นตัวแต่ว่าไม่เห็นตัวบางทีก็ก็ให้เห็นบ้างเหมือนกันแหละให้เห็นบ้างเหมือนกันถ้าเราปรารถนาจะเห็นก็จะเห็นอืก็จะเห็นแค่เขาให้เห็นเลยทําไมเพราะว่าเขามาอยู่ที่นี้เขามารอหลวงพ่อหลวงพ่อจะได้มาโปรดเขานี่อันนั้นนี่ เราเขานั่นแหละหลวงพ่อจึงมาอยู่ที่นี้แล้วโยมก็ได้มากันที่นี้เราเขาเป็นยังไงเพราะเขาบอกว่าเขาเป็นพ่อของหลวงพ่อในชาติหนึ่งนี่เวลาก็มากราบศพเขาเคยเป็นพ่อหลวงพ่อแต่ไม่ได้บอกหลวงพ่อไม่เคยบอกจากครั้งหนึ่งทีหนึ่ง นอนข้าพรนศามีคณะอาวมาจะไม่คนอิ่มเขก็มาถวายเทียนพันศาขอโยมมีเวลานั่งสมาธิหน่อยก็นั่งสมาธิขอนั่งสมาธิกับโน่ไปกระซิบิโยมนู่นบอกว่านี่หลวงพ่อเนี่พ่อหลวงเนี่ยเขจะเรียกพ่อหลวงพ่อหลวงนี่เป็นลูกเขาในชาติหนึ่งนี่ก็มารอหลวงพ่ออยู่ห้าร้อยปีแล้ว ว่า อ, อย่างนั้นน่ห้าร้อยปีแล้วที่นี่เขาก็มาเก้าชงที่นี่บางครั้งก็มาเกา้าชงก็มาเกา้าชงก็เลยถาอทวดแล้วทําไมหลวงป้อนี่ต้องมาอยู่ที่นี่มันลําบากทุกสิ่งทุกอย่างทวดก็ว่าอ ย, ย่างไงทวดก็ว่าก็ที่นี่เป็นที่ของพ่อหลวงนี่เกิดกี่ชาติกี่ชาตินี่มาตายที่นี้ทางนั้น แค่กระดูกระดูกพ่อหลวงนี่ฝวางรอบภูเขามีแล้วตัวนั้นถึงขนาดนั้นฉะนั้นด้วยอำนาจของมิมิตที่ก่อชี้ให้หลวงพ่อมาอยู่ที่นี้หลวงพ่อเลยมาสร้างที่นี้จะเอาโยมแม่มาดูแลนี่มันมีที่ไปที่มาทางนั้นแต่และเรื่องละเรื่องมันจะมีที่ไปที่มาทางนั้นเลยนี่ นี่คือธรรมะธรรมะที่เรามองไม่เห็นตัวดังนั้นแม้แต่เทพแม้แต่คนตันแม้แต่เราจะช่วยเหลือพวกเราถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมโยมก็คงจะไม่มาช่วยเหลือเรากพ่อ ก, ก็อาิรรพ์ทุกคืนผู้ที่มาที่นี่จะต้องสนใจในการปฏิบัตริรวนผู้ที่ไม่สนใจในการปฏิบัติไม่ต้องมา เพราะฉะนั้นจะมีเทศจะมีคนทันจะมีอะไรที่นี้ไปไปไ ป, ไปบอกมาไปบอกมาใครสนใจธรรมะให้บอกมาที่นี้<ม>เดี๋ยวหลวงพ่อจะตายเสียก่อนมาเสียมาเสียไปบอกให้มาทีนี้นี่เห็นไหมก็มากันเกือบทุกวันเหลนี่เรียกว่าอะไรเนี่เรียกว่าอะไรนี่นี่เรียก ว, ว, ว่าธรรมะด้วยอํานาจของพระธรรมดั ง, งนั้นเลย พระธรรมนั่นแหละจะรักษาผู้ปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมอะไรจะมารักษาเราอาวิชชามาอาวิชฌามารักษามันรักษาได้เลยมาได้มาโค่นเรามาเบียดเบียนเราอะไรเราอาวิชฌาเบียดเบียนใจิตใจของเราอะไรของเราเนี่ยแต่นี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมถ้ามาจะรักษาก็ขอข อ, ขอห้ญาติยอมทุกท่านปฏิบัติ แคตทมมากก็จะมารักษาเอง นั่งสมาธิแล้วก็มีความว่างดูภุมิของท่านกรมนั่นน่จุตาและวุตาความว่างรูปที่อยู่ทางสายมือเอาทีนี้อีกรูปแดงยกมือเสียงที่ดังจากมือข้างเดียวเป็นเสียงแห่งความว่างหรือเสียงแห่งความสง เพราะมันไม่มีอะไรมือข่างเดียวมันไม่มีอะไรนะครยืดนิ้วออกไปไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรทางนั้นนี่คือภาวะแห่งความสงบทีนี้มันเราพอคนตายขึ้นมานี่รดน้ารดน้ำรดน้าเอาสามโมรนดน้ำศพนี้ นั่นแหละคือมือข้างเดียวบอกว่านี่คุณตายคุณก็ไม่ได้เอาอะไรไปเลยจากนิดหนึ่งแต่ตอนที่คุณเป็นๆเนี่ยไอ้นั่นก็ของกูไอ้นี้ก็ของกูของกูไปหมดเลยมือนั้นคือจิตจิตที่เข้าไปยึดมัน่นถือมั่นแต่ถ้าจิตที่ไม่ยึดมัน่นถือมัน่นก็เหมือนกับมือข้างเดียวนั่นแหละไม่ยึดไม่ถือไม่กำไม่อะไรทัางนั้นเลย นันค so, so ือไม่ยึดม e ั่นถือมันเพราะฉะนั้นก็เลยไปลดน้ําลดน้ําก็คือล้างมือล้างมือก็คือล้างจิตล้างจิตใครอย่าล้างจิตคนตายอยี่ยไม่ใช่ล้างจิตคนเป็นนี่แหละเวลาไปลดน้ําก็บอกว่าอย่ายึดมั่นถือมั่นกูอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าความรู้สึกนี่เป็นกูความแก่เป็นกูความเจ็บเป็นกูความตายเป็นกู เอาน้ําพระธรรมเป็นรถรถแล้วก็เลิกความยึดมั่นถือมันแล้วก็ไม่ต้องเกิดไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บ ไ, ไม่ต้องตายอยู่กับความสงบอยู่กับแม่ข้าวถึงแม่กนพบแม่แล้วเรามีทั้งแม่แล้วก็มีทั้งพ่อในจิตของพระพุทธเจ้ามีความสงบแม่ของเรา พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วแต่แล้วก็อยู่ในพระพุทธเจ้าคือความสงบพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบเป็นองค์แรกจึงชื่อว่าสัมมาสัมพุทธโธนั่นคือพ่อของเราพ่อของเราก็เลยคลอดออกมาเป็นใครเป็นพี่พี่ของเราก็คือท่านสอนสั่งสอนให้ปฏิบัติจนเป็นพระอาหารหันต์พอท่านเป็นพระอาหารหันต์แล้ว ท่านกดสั่งสอนพวกเราโตตตตกันว่างในแม่ในแม่ก็คือความสงบก็คือความสงบที่เป็นธรรมชาติก่อนที่จะมีอะไรทั้งหมดนั่นคือความสงบแต่นี้พ่อคนพบแม่ในจิตใจของพ่อก็มีแม่เกิด ค, ความสงบในจิตใจของพี่คือพออาระอรหันต์ทั้งหลาย ที่สั่งสอนทอดๆกันมาถึงพวกเราท่านก็มีแม่เกิ ค, ความสงบที่อยู่ในจิตของท่านเพราะฉะนั้นอย่างเดียวที่เราจะพบแม่ก็คือเลิกความยึดมั่นถือมั่นเสียแล้วในวันนั้นเราจะได้พบแม่และเราก็ไม่ต้องเกิดทุกเราก็ไม่ต้องแก่ไม่เป็นทุกเพราะแก่ไม่เป็นทุกเพราะเจ็บไม่เป็นทุกเพราะตาย เพราะเราได้อยู่กับแม่แนละ้วสบายสงบนี่การปฏิบัติถึงที่สุดแล้วอยู่อย่างนั้น